ทำความเข้าใจเรื่องสมาธิหลวงปู่มหาบัวเทศตอนหลังชัดเจนท่านว่าเมื่อก่อนนี้เรามัวไปดีใจเสียใจกับความเสื่อมความเจริญของสมาธิมันก็ได้อยู่เพียงแค่นั้นมาภายหลังตัดสินใจอ้าว มันจะเสื่อมจะเจริญก็เป็นแค่เพียงแต่อารมณ์จิตเท่านั้นเราจะเอาสติตัวเดียวแล้วในที่สุดมันก็ดําเนินไปด้วยดีมัวแต่ไปนับขั้นนับตอนของสมาธิเวลามันเป็นไปจริงๆมันไม่มีขั้นมีตอนขั้นตอนเนี่ยเรามาว่าเอาทีหลังเราจําแบบมาแล้วอ่านหนังสือแล้วก็อ๋อไอ้นั่นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น เรามาว่าเอาทีหลังเวลาจิตมันดำเนินไปตามคันลองของมันเนี่ยมันไม่มีขั้นมีตอนเอาเรื่องเด็กน้อยคริสกับเด็กน้อยพุทธภาวนาไปเล่าให้พระใหม่ฟังชาวคริสภาวนาเยซูชาวพุทธภาวนาพุทธโธเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิมีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันคือจิตนิ่งรู้ ตื่นสว่างเบิกบานมีปีติมีสุขเหมือนกันอันนั้นคือสัจธรรมสมาธิเป็นสัจธรรมมีหนึ่งเดียวถ้าใครทำสมาธิถึงขั้นแล้วจะมีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันหมดมันจะแตกต่างเฉพาะแต่ว่าพอจิตสงบเป็นสมาธิหน่อยพอเกิดนิมิตเริ่มน้อมเอานิมิตเข้ามาในตัว เสร็จแล้วสภาพจิต ท, ที่ปลอดโปรง่งสว่างสวยัยมันก็มืดมิดหัวใจเหมือนถูกบีบหลังจากนั้นจิตก็ไม่เป็นตัวของตัวเองนี่คือความแตกต่างของสมาธิไปเอาอำนาจสิ่งอื่นมาช่วยมันอาจจะเป็นไปได้ดีอาจจะรู้อาจจะเห็นอะไรได้ดีๆแต่มันไม่ใช่ความรู้ความเห็นที่จิตเป็นไปโดยอิสระ มันมีอำนาจโดนบันดาลมาให้เป็นเช่นอย่างพวกฤาษีเขาภาวนาและเขาเอาพระพรหมเป็นหลักพอภาวนาจิตได้สมาธิพระพรหมก็ประทานพรให้ให้เป็นผู้มีฤทธิ์มีเดช